พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเรียนปริญญาธรรมจนถึงขั้นอครมหาบัณฑิตจากป่าจากเขาวิชาที่ท่านสําเร็จจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวล้วนเป็นวิชาประเภทวิมุตต์เวลานําออกมาประกาศสั่งสอนโลกจึงเป็นวิชาที่แน่นอนและไว้ใจได้ทั้งองค์ท่านผู้สําเร็จและวิชาที่สําเร็จมาไม่มีสิ่งแปลงปลอมเคลือบแฝงอยู่เลย ผิดกับวิชาและผู้ศึกษาทั่วไปอยู่มากแต่มหาวิทยาลัยสงดังกล่าวนี้หาท่านผู้สมัครเรียนยากอาจเป็นเพราะสถาบัานนี้มอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าตัวซึ่งกำลังเป็นนักศึกษาปกครองตนเองมากกว่าผู้อื่นจะมาปกครองและบังคับบัญชาเช่นมหาวิทยาลัยทั้งโลกเขาทำกันคือการเข้าอยู่ศึกษาในสถาบัานนี้แต่ละแห่ง ก็ให้เลือกเอาตามใจชอบการเรียนวิชาตามหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่ในสถาบันก็มอบให้เป็นสิทธิ์ความสมัครใจของแต่ละท่านจะเลือกเรียนเองอาจารย์กับนักศึกษาให้เลือกเอาจากตัวเองถ้าอาจารย์กล้าหาญมีอุบายต่างๆสอนสิทธิ์คือตัวเองบังคับตัวเองด้วยความแยบคายทั้งอาจารย์และนักศึกษาซึ่งอยู่ในคนคนเดียวกัน ก็จัก้าวเข้าสู่ความสงบสุขแม้เข้าไปอยู่ในป่า ก, กับสัตว์เสือนานาชนิดก็ไม่กลัวอยู่ด้วยความสงบสุขเย็นใจและสนุกรื่นเริงไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆที่มาขับกล่อมบรรเลงเพลงป่าตามปราสาของเขาให้ฟังอย่างเพลินใจได้คติไม่ขาดทุนศูนรัพย์เหมือนเพลงมนุษย์ที่แสนบานลึกลงขั่วหัวใจถ้าใจยังตื่นเต้นอยู่คอยแต่จะโผล่หัว ออกมารับอากาศอาจถูกพายุเพลงพัดพันให้ขาดกระจุยกระจายไปอย่างไม่เป็นท่าน่าดูเลยก็ได้และเสียไปทั้งคนทั้งทรัพย์จนยับยั้งตั้งตัวไม่ได้และเสียไปจริงๆแต่เพลงของสัตว์ป่าที่ขับกล่อมตามการเวลาของเขาฟังแล้วทำให้เพลินและสงสารยังจับใจยิงพระกรรมฐานไปพักอยู่ที่ใด สัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีปีกไม่มีปีกชนิดต่างๆมักจะรวมกันมาอยู่แถบบริเวณที่ท่านพักเสมอพักอยู่นานเท่าไรยิ่งพากันมามากเข้าทุกทีเสียงเรียกร้องหาการสนันป่าไปหมดในบางเวลาตามภาษาสัตว์ที่มีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกับมนุษย์เราและคิดถึงการเป็นธรรมดาของสัตว์ที่มีหัวใจ เป็นเพียงพูดภาษามนุษย์ให้เราฟังไม่เป็นเท่านั้นแต่เขาก็มีภาษาประจำชาติของตนทุกๆชนิดเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่เองการร้องเรียกหรือคร่ำครวญหากันนั่นแหลพระท่านเรียกว่าเขาร้องเพลงและมีเป็นระยะระยะตอนเช้าเป็นพวกหนึ่งร้องตอนสายพวกหนึ่งร้องตอนบ่ายพวกหนึ่งร้องตอนเย็นพวกหนึ่งร้อง ตอนกลางคืนพวกหนึ่งร้องตอนดึกพวกหนึ่งร้องตอนค่นคืนพวกหนึ่งร้องตอนจวนสว่างพวกหนึ่งร้องเรากับผลัดเปลี่ยนเป็นเวรกันความจริงก็คงเหมือนไกลบ้านเราขันตามเวลาของมันนั่นเองแต่สัตว์มีหลายพวกและนิยมเที่ยวหากินและร้องในเวลาต่างๆกันจึงไม่ค่อยขาดระยะแม้เวลากลางคืนเพราะสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนก็มีมาก เช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันฉะนั้นเสียงร้องครางต่างๆจึงมีไม่ขาดระยะตลอดเวลา24ชั่วโมงการอยู่และศึกษาวิชาธรรมะตามนโยบายของพุทธศาสนาในสถาบัานดังกล่าวจึงรู้สึกลำบากผิดกับที่เรียนตามคำพียอยู่มากแต่ถ้าทนเรียนและปฏิบัติได้หากมีผลผลมาก มีอันนี้สองมากและซาประจักษ์ใจตัวเองคุ้มค่าที่อุตส่าห์บึกบืนถ้าเป็นแทบตายกูไม่ใจกัดใจกล้าหน้านักรบจริงๆย่อมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นราวกับถูกดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาส่วนจะมีใครมาบังคับขู่เข็นนั้นไม่มีนอกจากเจตนาความหวังก้าวหน้าของตนเป็นเครื่องบังคับไปในตัวเท่านั้นงานทางศาสนานี้ เมื่อเราได้ทำด้วยตัวเองจนเห็นริเดศของความลำบากทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นแหละจะเห็นความเก่งกาจอาจหารของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นเลือดนักรบที่เก่งจริงเรื่องที่จะตัดความสงสัยทั้งหลายลงได้อย่างประจักษ์กับตัวเองคือคนอื่นกลัวถ้าเรายังไม่ประสบความกลัวแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทุก ถ้าเรายังไม่ประสบทุกแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทรมานตนด้วยความเพียรโดวยวิธีต่างๆที่แสนทุกข์แสนลำบากถ้าเรายังไม่ประสบความทุกข์ความทรมานแบบนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดความทุกข์ความทรมานเพราะเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมด้วยความเพียรของผู้อื่น ถ้าเรายังไม่ประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดตลอดความสุขที่เป็นผลน้อยมากที่เกิดจากการฝึกทรมาน น, นั้นๆของผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้ประสบด้วยใจตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดน่าอัศจรรย์อะไรนักอากจะเป็นความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงตามคำบอกเล่าก็ยังไม่ถึงใจอยู่นั่นเอง ต่อเมื่อเราได้ประสบด้วยตัวเราเองทั้งฝ่ายเหตุคือการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆและได้รับทุกขเวทนาร้อยแ0พันประการจากการนั้นๆและฝ่ายผลคือความสุขที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆนับแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงสุดด้วยใจตัวเองแล้วนั่นแหลจึงจะเห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดมากและอาจพูดได้ว่า น่าคิดอย่างเต็มหัวใจเห็นทุกโทษก็เห็นอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณที่เกิดจากเหตุที่ทําก็เห็นอย่างเต็มใจอายสงสัยทุกอย่างไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งประจักษ์ใจทั้งโทษทั้งคุณทั้งสุขทั้งทุกที่เกิดจากตนผู้เดียวพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตามหาคุณแก่โลก มีพระประสงค์อย่างให้สัตว์โลกปฏิบัติแล้วรู้เห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรด้วยตัวเองไม่ประสงค์ให้เชื่อแบบมงคลตื่นข่าวที่คนอื่นเล่าให้ฟังแม้เป็นความจริงการปฏิบัติธรรมทุกขั้นอันเป็นวิสัยของตนจะควรรู้ควรเห็นก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจตัวเองดีกว่าไปฟังจากใครรู้จักใครที่ไม่ใช่สมบัติของตนผู้ทำเอง แต่มีพระประสงค์ให้ทำเองรู้เองเห็นเองอันเป็นสมบัติของตัวแท้ไม่มีใครกล้ามาแบ่งส่วนให้บกพร่องไปจากตัวได้การเข้าป่าก็มีประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าอยู่เองแม้จะเจอสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ขอให้เจอด้วยตัวเองขณะเจอกับเสือมีความกลัวมากน้อยเพียงไรก็ให้ทราบกับตัวเอง การหลบหลีกแก้ไขด้วยอุบายต่างๆก็ขอให้เป็นความฉลาดแห่งสติปัญญาของตัวเองใจที่ฝึกทรมานได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเองความสุขกายสบายใจที่ได้รับจากการฝึกทรมานได้นั้นก็ขอให้เป็นใจอันมีค่าของตัวเองดีกว่าเป็นข่าวดีมีค่าของผู้อื่น จิตบรรลุมรรคผลทุกขั้นเพราะการฝึกทรมานนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเป็นผู้บรรลุการหลุดพ้นจากทุกทางใจก็ขอให้เป็นใจของตัวหลุดพ้นไปเองดีกว่าเป็นข่าวของผู้อื่นหลุดพ้นไปเพราะความภาคเพียนของเขาสมกับศาสนาเป็นสมบัติของผู้สนใจบำรุงรักษาโดยเฉพาะ ปกติศาสนาเป็นสมบัติกลางของทุกคนที่สนใจปฏิบัติรักษาแต่กลับเป็นสมบัติของเราอย่างสมบูรณ์ด้วยการบำเพ็ญให้สมบูรณ์ในใจเราเองจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายสติปัญญาของตัวเองผ่าข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานตามความมุ่งหมายของพระศาสดาผู้เป็นเจ้าของศาสนาที่สอนหมู่ชนด้วยพระปรีชาสามารถ มุ่งความเฉลียวฉลาดแก่ผู้มาอาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีให้ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอราาิยบุคคลคั้นสุดยอดปลอดภัยสิ้นความเสนียดจันไรที่เคยเป็นฆ่าศึกมาประจำภพชาติเมื่อบรรุถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจอมปราดแล้วก็ชื่อว่าเรียนจบหลักวิชาในมหาวิทยาลัยสงแห่งพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ไม่จำต้องปีเรียนที่ไหนต่ออีกในอัตภาพที่เป็นอยู่ท่านเรียกว่าเรียนจบโรมมัจจันโดยสมบูรณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเรียนจบนั้นท่านเรียนจบเรื่องในพระทัยและในใจนี้แลไม่ใช่จบที่ไหนอื่นนอกไปจากใจเพราะใจเป็นผู้พาให้หลงเกิดและตายเพียงดวงเดียวเท่านั้น เมื่อเรียนจบที่ใจแล้วก็หมดเรื่องทั้งมวลโดยสิ้นเชิงพระธุดงค์ขรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่นท่านพยายามเรียนอยู่แถวกายนครและจิตนครที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อผาหรือสถานที่ใดจุดใหญ่ก็เพื่อรู้เรื่องของจิตเป็นสำคัญ แม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นจำนวนมากจำพรรษาอยู่ในปา่าในเขาเช่นเดียวกับท่านพ่าดำเนินมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตเป็นสำคัญการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและสติปัญญาความสามารถก็เพื่อรู้จุดจบคือใจนี่เองเป็นสำคัญ ท่านที่มุ่งต่อความหลุดพ้นอย่างแรงกล้าจึงเป็นเหมือนผู้ตายไม่มีป่าช้าคอยให้คนอื่นเผาศพเก็บซากศพถึงคราวแล้วที่ไหนก็ได้ไม่เป็นกังวลและนั่นคือป่าช้าอันตายตัวแล้วเวลายังครองขันอยู่พออยู่ที่ไหนเป็นที่สะดวกแก่ความเพียรก็อยู่ที่นั่นไปประกอบความเพียรไปไม่ลดละหยุดยัง้ง นั่งอยู่ก็เพียนยืนอยู่ก็เพียนเดินอยู่ก็เพียนนอนอยู่ก็เพียนเว้นแต่หลับไม่เช่นนั้นไม่ทันร่องรอยของกิเลสตัณหาซึ่งมีวิชาภาสัตย์ตายรอบโลกสงสารและรวดเร็วยิ่งกว่าพายุบุแคมเพียงขณะเดียวมันจุดไปได้รอบโลกในสามภพตามไม่ทันและคนทุก์มาให้เจ้าของผู้โง่เขลาเบาปัญญากว่ามันได้รับเสวย ทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งทุกทรมานไม่มีรสแห่งทุกใดเสมอกับรสแห่งทุกที่กิเลชนิดต่างๆขนมาทับถมหัวใจฉนั้นผู้เห็นโทษของมันอย่างถึงใจแล้วจำต้องเพียรละทุกเวลานาทีไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นเพื่อพักผ่อนนอนใจให้กิเลสตัณหาเหยียบย่าทำลายอีกต่อไปอย่างไรจะถึงฝังแห่งความปลอดภัยไร้ทุก แม้จะยากลำบากก็ฝืนทนโดยคิดประมวลพบชาติต่างๆของตนที่จำต้องหมุนไปเพราะแรงของอวิชชาตันหาว่าทุกข์ต้องแทรกสิงอยู่ได้ในภพนั้นๆถ้าไม่รีบแก้ไขปลดเปลื้องให้ผ่านพ้นไปเสียในชาติที่ควรแก่การอยู่เวลานี้เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวช ที่ควรจะทํากิเลสให้เหือดแห้งจากใจได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่เวลานี้กิจใ ด, ดที่จะควรรีบบําเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึงกิจนั้นคือกิจที่เรากําลังบําเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันยังครองตัวอยู่ อย่าให้เนื่อนช้ามัวเสียเวลาไปนานเวลาอันตรพานตัวมีอำนาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลำบากและเสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบร่งความภาคเพียนในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจ ท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเราให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกำลังแล้วรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็นลำดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อายตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกสิงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิต ถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหันแหลกกับกิเลสทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซองสุมอยู่ภายในให้พินาฏปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไร บางท่านก็ได้ชัยชนะเป็นขั้นขนัออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้างแห่งเขาบ้างแห่งถ้ำบ้างแห่งเงื้อมผาบ้างแห่งป่าช้าบ้า ง, ง, า บ, างบางทีท่านได้ชัยชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มยามแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจันทร์ในวันเพนฉ น, นั้นเวลามาพบปะหมูคนะ่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนของตนสู่กันฟัง เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดสดร้อนๆ้อนราวกับสาวกอรหันในครั้งพุท ธ, ธกาลท่านสนทนามากผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟังเป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันแต่ยังมีท่านที่สามารถฉลาดรู้ถึงธรรมะนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติ สมัยปัจจุบันธรรมะของท่านเหล่านี้แหลเป็นธรรมะที่สามารถทำความตื่นเต้นแก่วงปฏิบัติให้มีศรัทธากล้าแข็งมีเรี่ยวแรงทางกายทางใจขมักขม้นเข็นค่ากิเลสของตนของตนไม่มีความอ่อนข้อย่อหย่อนทางความเพียรตลอดมาโดยยึดปฏิปทาที่อาจารย์มั่นท่านประสิทธิ์ประสานให้แต่สมัยยังมีชีวิตอยู่ เขาเป็นต้นจึงเป็นทำเลท่องเที่ยวบําเพ็ญของพระธุดงคกรรมฐานสายของท่านเรื่อยมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานจํานวนมากจําพรรษาอยู่ตามป่าตามเขาเช่นเดียวกับสมัยท่านอาจารย์มั่นพาอยู่พระที่จาพรรษาอยู่ป่าเหล่านั้นโดยมากมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นําในการปฏิบัติเป็นแห่แงๆไป สถานที่พระกรรมฐานสายนี้จําพรรษาอยู่มากพอควรเวลานี้คือจังหวัดหนองคายแถบอําเภอท่าบ่ออําเภอสีเชียงใหม่อําเภอโพนพิสัยอําเภอบึงการซึ่งเป็นป่าเป็นเขาโดยมากพระกรรมฐานท่านชอบที่เช่นนั้นเป็นทําเลบําเพ็ญที่ไม่มีดงน้าป่าทึบและภูเขามากท่านไม่ค่อยชอบเที่ยวไป อย่างมากก็เพียงเดินผ่านหรือพักชั่วคราวตามคำอาราธนานิมนต์ของชาวบ้านเพื่อการสรงเคราะห์กันเป็นบางการเท่านั้นจังหวัดนครพนมแถบอำเภอคำชะอีและเขตติดต่อกับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลซึ่งมีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่ตามแถบนี้อำเภอสีสงครามมีป่ามากอำเภอบ้านแพงมีป่ามีเขามาก อำเภอมุกดาหารมีป่ามีเขามากแถบนี้ท่านชอบพักอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้จังหวัดสกลนครแถบอำเภอสว่างดินแดนอำเภอพรนนิคมมีป่ามีเขาอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจังหวัดอุดรแถบอำเภอบ้านผืออำเภอหนองบัวลําพูอำเภอนากลางอำเภอหนองหานอำเภอเมืองมีป่ามีเขาเป็นแถบ จังหวัดเลยแถบอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองมีป่ามีเขามากพระกรรมฐานท่านชอบพักอยู่ตามอำเภอและจังหวัดเหล่านี้มากกว่าทุกจังหวัดทางภาคอีสานท่านที่สนใจปฏิบัติ ด, ด้วยความมุ่งอัตถะมุ่งธรรมะอย่างยิ่งยังมีอยู่มากมีพระเนนมารวมกันเป็นครา ว, ราวเวลามีงานเช่นงานชาปนกิจศพครูอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือดังงานศพท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอําเภอน้องหานจังหวัดอุดอรที่ท่านชอบมาในงานเช่นนั้นโดยมุ่งจะได้ฟังอัต ธ, ธรรมจากครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่เคารพนับถือที่มาในงานนั้นท่านที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับจิตตภาวนาก็ได้กราบเรียนศึกษาท่านในเวลานั้นพอเสร็จงาน ต่างก็กลับเข้าป่าเข้าเขาอันเป็นสถานที่อยู่บาเพ็ญของตนของตนมองดูเวลาพระกรรมฐานท่านมารวมกันเป็นจำนวนมากนั้นน่าเลื่อมใสและสงสารเนนตัวเล็กๆที่กำลังน่ารักมากกว่าจะน่าเลื่อมใสที่ติดตามอาจารย์ของตนออกมาในงานเราพอทราบได้ว่า ท่านผู้ใดกําลังจิตใจสูงส่งเพียงไรนั้นทราบได้จากเวลาท่านมาในงานนั้นๆและมีโอกาสได้สนทนาจิตตภาวนากันบ้างเวลาท่านมาหาโดยเฉพาะในการอื่นบ้างได้พบกันในที่ต่างๆบ้างเพราะพระกรรมฐานพบกันโดยมากมีแต่สนทนากันเกี่ยวกับธรรมะภายในใจไม่ได้คุยเรื่องอื่นแม้จะสนทนากันนานเพียงไร ก็มีแต่เรื่องธรรมะภายในใจโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาสับปนเลยเห็นแล้วจึงน่าเลื่อมใสและสงสารมากในความอุตสาห์ของท่านแต่ละองค์เรายังแน่ใจและอบอุ่นอยู่ว่าถ้ายังมีท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามอย่างนี้อยู่ตราบใดผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนให้องค์ท่านและประชาชนได้รับความชุ่มเย็น ยังคงสืบต่อกันไปโดยสม่ำเสมอตราบนั้นไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปอย่างแน่นอนดังหลักธรรมที่ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอระหรันยอมไม่สูญไปจากโลกดังนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าสมควร ในข้อนี้เมื่อถือเอาใจความแล้วน่าจะได้แก่ความเหมาะสมเรานี่เองความเหมาะสมของธรรมะคือพร้อมด้วยเหตุด้วยผลแห่งพระโอษฐ์แห่งพระศาสดาต ร, รัสเองที่เรียกว่าสวาคกขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องถ้าเป็นทางก็ตรงแนวต่อจุดที่หมายไม่มีทางปลีกทางแวะให้ผิดสำหรับผู้เดินตาม ถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์เต็มที่จากแม่ครัวผู้มีฝีมือเยี่ยมส่งรสชาติไว้พอเหมาะพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มเกินไปเหมาะกับจิ่วหาประสาทของผู้รับทั่วทั่วไปถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็เป็นชนิดที่วัดจากตัวของผู้สวมใส่เองไม่คับไม่หลวมเกินไปพอดิบพอดีกับผู้สวมใส่ทั้งหลายไม่เหมือนที่เขาตัดเย็บเพื่อคนฟิตฟิจัดจนดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชาย ขืนดูมากไปตาแตกด้วยไม่รู้ตัวลงธรรมะสังเวทสามเดือนไม่จบสิ้นลงได้เพราะพิสดาลเกินมนุษย์มานาเทวดาอินพรมแม้อยู่ในโลกทิพย์ความเหมาะสมแห่งธรรมะทุกบททุกบาทที่ควรแก่มรรคผลนิพพานโดยทายเดียวไม่เป็นอื่นเรียกว่าธรรมะสมควรคือสมควรแก่มรรคแก่ผลนั่นเอง ส่วนคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือปฏิบัติตามธรรมที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิบัติอุชุยายะสามีจินั่นแหละเป็นปฏิบัติสมควรไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ยิ่งกว่าธรรมไม่ย่อนกว่าธรรมไม่ปฏิบัติแบบแผลงแผลงแฝงแฝงเอาตามใจชอบราวกับเป็นศาสดาของธรรมะทั้งหลาย เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามแบบสุ ป, ปฏิบัติูุชุ ป, ปฏิบัติญาญะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติก็จัดว่าเป็นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้ผลยอมเป็นที่ยอมรับกันอย่างนี้ไม่พ้นไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยใดยอมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเป็นสาคัญกว่าอื่น เช่นเดียวกับการเดินทางราบรื่นซึ่งถูกต้องเพื่อไปสู่จุดที่หมายนั้นๆจะเดินกลางวันกลางคืนหรือเดินหน้าแรงหน้าฝนเมื่อไม่มีปลีกแวะจากเส้นทางที่ถูกต้องก็ยอมถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสำคัญที่ต้องเดินให้ถูกทางไม่ว่าทางทางโลกหรือทางทางธรรมเหมือนกันเพราะธรรมะที่สมควรดังกล่าวย่อมเป็นอาการลิกธรรม คือตรงแน่ตตอมักผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่นิยมการสถานที่นิยมเฉพาะการปฏิบัติถูกทมเป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดถ้าปฏิบัติไม่ถูกทมไม่ว่าสมัยใดไม่มีหวังผลที่พึงได้รับและขัดต่อหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติผิด ไม่เข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมยอมเป็นค่าศึกต่อตนและต่อธรรมะอีกด้วยธรรมะที่ตรัสไว้แล้วเหมาะสมกับสภาพทั่ ว, วไปไม่ขัดแย้งกับสิ่งใดในโลกจึงเรียกว่าตรัสไว้ชอบแล้วดังนั้นผู้หวังผลเป็นที่พึงพอใจจึงควรคำนึงถึงเหตุที่กำลังดำเนินอยู่ว่าเข้ากับหลักที่ว่าสมควรแก่ธรรมหรือไม่ ถ้าไม่เข้าก็ชื่อว่าปลีกหรือขัดแย้งต่อธรรมะและมรรคนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขออภัยผู้เขียนมักเพอ้อเสมอพอไปไปเลยไปกันใหญ่กว่าจะรั้งสติคืนมาได้ก็เลยหมุ่มโลกไปแล้วจึงขอย้อนอธิบายเรื่องพระธุดงต่อไป